พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตานรลักษณ์ขีนาริโยตอนนานาปัญหาของนักภาวนาตอนที่หนึ่งเราปล่อยให้เขาคิดไปคิดไปแล้วก็พอปล่อยให้คิดไปใจก็ไปเกาะเกี่ยวผัวพันพอใจไปเกาะเกี่ยวผัวพัน มันไม่ทําให้จิตไม่ขับแค้นใจมันไม่อย่างใจมันน้อยเนื้อต่ําใจน้ําตาไหลออกตาเราไปจับนิ่งๆเฉยๆก็ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกไปจับนิ่งไปไปจับนิ่งสงบไปข้างใ น, ไ, นไม่ถูกมันทำอย่างนี้มันจะทําให้ไม่เห็นจิตจิตไปคิดปงแต่งไปเดมันจะทําให้น้อยเนื้อต่าใจน้ําตาไหลออกตา อยไปจับนิ่งๆสงบสงบอย่างนี้นยังไงอ่ะเดี๋ยวแปล่อยให้จิตเขาคิดไปปรุงแต่งไปแต่ไม่มีตัวเราหลงไปกับความคิดเหล่านั้นไม่มีตัวเราปรากฏมีแต่จิตที่อาการของจิตคิดปรากฏอย่าไปทําให้ใจนิ่งอย่าไปจับอารมณ์จับความรู้สึกอะไรลยตัวเราไม่มีทุกกิริยาอาการของจิตเป็นสังขารไม่เที่ยงตัวเราไ ม, มไม่มีไม่มีตัวเราไม่ปรากฏตัวเรา ไม่มีตัวตนของเราอย่าไปทำใจนิ่งๆปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไป ไ, ไม่ต้องหลับตาหลับตานะพอหลับนั่งนั่งพุ่งหลับตาไปจับอารมณ์จับความรู้สึกนิ่งๆเลยจิตมันจะเข้าไปในลมเข้าไปในความรู้สึกแล้วมันจะไม่ไม่เป็นความจริงเราต้องลืมตายอย่างนี้ไเราปล่อยให้ทุกอย่างเนะี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับมันตัเอง ไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราจะไหลไปตามความคิดหรือเข้าไปยุ่งไปจับอาการในใจไว้ความคิดไม่ตรองปรุงแต่งความสึกตรองภายในใจไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเขาไปเป็นจิตสังขารทั้งนี้ที่ได้แต่รับรู้ว่ามีความรู้สึกมีคิดอารมณ์มีกิริยาการอะไรเกิดขึ้นในใจแต่ไม่มีตัวใจไปรองรับ นั่งลืมตาดูรู้มันเห็นอย่างเงี้ยนอนก็ลืมตาดูรู้เห็นอย่างเงี้ยนั่งยืนเดินนอนก็ก็ปล่อยให้จิตเขาแสดงกิริยาการไปเขาคิดในสติปัฏฐานแต่งไปของเขาแต่ไม่มีเราไม่มีตัวเราควนอยู่ในนั้นเลยมีอะไรมีความรู้สึกมีคิดอะไรเกิดขึ้นปล่อยเขาเกิดขึ้นเองแล้วเขาก็ดับมัาไปเองเกิดขเองแล้วเขาดับไปเองไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครเป็นตัวบุ ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หลอนนั้นความรู้สึกกำตองนั้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราปเป็นผู้คิดไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้คิดไม่ใช่ตัวเรานพูดตึกตองคงเห็นว่ามีแต่ความคิดนึกตึกตองมีความรู้สึกใดๆก็ตามมีกิริยาการในจิตใดๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปี่แล้วก็หายไปไม่มีตัวเราไปรองรับไม่มีตัวเราไปยึดไม่มีตัวเราตัวตนของเราไม่ปรากฏ ทั้งไม่แจกแจงทั้งไม่ห้ามทั้งไม่เผอภัยตัวเองไปคิดอะไรไปได้แต่รู้เห็นว่าทุกความคิดทุกปริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันทุกขณะจิตปัจจุบนันไม่มีใครไม่มีใครไม่มีตัวเราเข้าปรากฏขึ้นมาเข้าไป ม, มีส่วนได้เสียและไม่เคยเผอเลยให้ตัวเราหลงคิดไปเพลิคิดไปนี่แต่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในใจทุกขณะปัจจุบนันสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจ สิ่งนั้นเขาก็ดับมันเข้าไปไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราวันทั้งวันเห็นแต่อย่างเงี้ยนั่งยืนเดินนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเดิมกินทำกิจการงานใดๆก็ตามทำงานบ้านทำงานสวนเราจะเห็นอยู่อย่างนี้ว่าสิ่งใดริ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจทุกขณะปัจจุบัน ทุกข์ุญยาาเนี่ยที่กขึ้นมาในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่มีตัวเราปรากฏเลยไม่มีตัวเราสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเอใหม่มันเข้าไปในอารมณ์เข้ามปในความเรู้สึกนะมันติดจิตนิ่งจิตเฉยนะเนี่ยจิตมันคอยเข้าไปนิ่งเฉยมันจะง่วงซื่นไปเลยต้อง พอมันจะเข้าไปติดนิ่งจิตเฉยมันมันคอยจะง่วงคืมเบาสบายมันจะง่วงซึมต้องกระตุกมาทําความรู้สึกตัวขึ้นมากระตุกขึ้นมาแล้วปล่อยให้ทุกข์คิดตัวอาการเขาเกิดขึ้นแล้วก็ก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเอาใหม่สลัดออกมาจากความคิดอารมณ์ความรู้สึกก่อนอันนี้เราหลงเข้าไปในความคิดอารมณ์ความรู้สึกเอาใหม่จากสติใหม่ ให้รู้ึกตัวขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาจัดๆอย่าไปจับอาการของใจให้ตื่นตื่นตื่นตื่นรู้จิตทุกคิดทุกอาการรู้ทุกคิดขณนะจิตปัจจุบนันรู้ทุกคิดรู้จิตจิตคิดทุกขณะจิตปัจจุบนันปล่อยให้เขาคิดไม่ใช่ว่ามีคนไปดูความคิด มีคนไปไล่รู้ความคิดให้เห็นแต่ว่าทุกคิดทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครไปลองรับเปรียบเหมือนใจเนี่ยสมมุติชื่อเองก็ได้ว่าใจเนี่ยเป็นผู้รู้และผิดที่คิดทุกคิดทุกอาการเนี่ยมันก็แสดงกิริยาสารทุกคิดทุกอาการในปัจจุบัเนเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไปที่ใจเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไปที่ใจใจอ่ะก็ได้แต่รู้แต่ไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏตัวตนของใจ เอาใหม่ oh มันมันเข้าไปอย่างนี้มันเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในความรู้สึกให้มันตื่นเอาไหมเอาใหม่ขยับตัวขยับตัวให้มันตื่นขึ้นเอให้มันตื่นขึ้นมาอมันมันคอยจะเข้าไปจมเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ปล่อยให้ไม่ได้เห็นว่าทุกนาทีปษษษษัจจุบันทุกนณฬปัจจุบันเนี่ยมันมีความคิดที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลย จะไม่มีตัวตนของเราหรอกไม่มีตัวเราก็าไปเสวยความคิดนั้นไปรองรับความคิดนั้นไม่ปรากฏตัวเราเลยตัวตนของเราไม่ปรากฏตัวเราไม่ปรากฏปรากฏแต่จิตที่คิดที่แสดงการเดี๋ยวเอาใหม่ลืมตา ม, มาคุยกันตามปกติดีกว่าถ้าเราไปจับอารมณ์อย่างเงี้ยนั่นตงตามสบายเลยถ้าเราไปจับอารมณ์จับเออย่างนี้ดีกว่าเนี่ยอยู่อย่างปกติอย่างนี้นี่ อยู่อย่างกปกติยี่งดีกว่าเนี่ยเนี่ยปกติเนี่ยมันก็ชัดเจนเนี่ยตาก็มองเห็นใสแจวหูก็ดียินเสียงชัดเจนกายก็สัมผัสพัดลมชัดเจนสัมผัสลมนีพัดลมชัดเจนอากาศสัมผัสอากาศชัดเจนนียใจก็รู้อาการของใจชัดเจนเนี่ยพอเราไปนั่งหลับตามันมันจับอารมณ์จับความรู้สึกนี่อยู่ข้างในมันมันเบอร์มันเบอร์มันเคลิ้มเคลิมอันั้นมันเข้าไปในลามณ์เข้าไปในความรู้สึกมันติดเข้าไปมันเอาตัวเราติดเข้าไปมันไม่เห็นตัวเรานะ เนี่ยให้มันสื่นรู้จิตตัวรู้ตัวเราเนี่ยรู้ตัวเราที่กาลังคิดตัวต้นของเราไม่มีหรอกมีแต่อาการของกายอาการของจิตมีแต่สังขารกายสังขารจิตที่ในเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงตัวเราไม่มีตัวตนเราไม่มีมันมาตื่นเนี่ยตื่นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเกิดขึ้นเกิดขึในใจเราเนี่ยแต่ตัวเราไม่มีมันมีแต่กรกยาอาการที่เกิดขึ้นสงสัยไหมสงสัยอะไรไหย อืมอืมอืมพอบพอเราหลับตาปุ๊บมันไปจับอารมณ์จับความรู้สึกนะมันเลยเคลิมเข้าไปเรื่อยเรื่อยไม่มีปัญญาอะไรหรอกพอนั่งแบบนี้กี่ปีกี่ปีกี่เดือนมันก็ไม่ไปยังไงอ่ะมันจะไปจับนิ่งจับความรู้สึกเบาสบายโล่งๆแล้วมันก็หลับไปจิตมันก็จมเข้าไปในวัน นั่งจับความสบายเฉยๆเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรให้มันตื่นตื่นแล้วก็มารู้ตื่นแล้วก็รู้สักตะวัารู้รู้ตัวเราอ่ะรู้อะไรก็รู้ตัวเราที่คิดนี่ติดตอมพุ่งแสงไปอ่ะจริงอ่ะที่ตัวเราคิดก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันมีแต่อาการที่ติดที่สังขารกายสังข า, ารจิตมนันมีแต่ของไม่เที่ยงแต่ตัวเราไม่มีมันปรากฏเลยมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นแล้วสังขารก็ดับไป มีแต่สังขารที่เกิดขึ้นแล้วสังขารนี้ก็ดับไปไม่ปรากฏตัวเราเลยตัวเราไม่มีในความรู้สึกสงสัยอะไรสักได้นะสับเด็เยินที่เลยไม่ต้องเกรงใจถ้าเราไปไปจับอารมณ์จับความรู้สึกมันเข้าันไปในพาวาังอย่างเงี้ยมันจะไม่มีปัญญามันได้จะโด่งโล่งเบาสบา ย, ยอะไรเงี้ย ไม่มีปัญญาเลยที่ห่อจากทุกข์ทีาทงานเรารู้สึกว่าเรามาอะไราาทอไความร้สว่าเออะไรเลยเออชอาแบบเรรากาทุกที่ยเหที่การโทษนะเข้าไปเจอเลยเออก็เนี่ยห้มันเห็นความแตกต่างเนี้ยทัานเห็นความแตกต่างเนี่ยเพราะเราเรานั่งหลับตาปุ๊บก็เข้าไปในผวางเลยเข้าไปในอารมณ์ในความรู้สึก เบาสบายเคลิดิ่งลงไปเลยอันนี้ไม่มีปัญญาอะไรนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่มีปัญญาจะออกจากทุกข์ได้แล้วจะติดมนะันอะติดในอารมณ์ติดในความเบาสบายเงี้ยแล้วปัญญาไม่มีออกทุกก็ไม่ได้ออกจะกทุกข์ไม่ได้แต่พีงมีความเครียดอยู่ฝังอยู่ข้างในมันก็ปล่อยคิดโน่นคิดนี่ไปอะไรมันก็น้อยเนื้อต่ําใจอะไรไปเรื่อยมันอยู่เนี่ยอยู่กับปัจจุบันมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่กริยาการตัวเราไม่มี ไม่ปรากฏกิริยาการใดๆมีแต่กิริยาการที่ปรากฏขึ้นแต่ตัวเราไม่มีไม่มีปรากฏขึ้นนี่เงี่ยมก็เริ่มเข้าไปในระวังแหละมันเคยอะต้องตื่นตื่นเนี่ยตื่นแล้วก็รู้นตื่นมารู้ให้ตื่นตัวรู้ตัวตื่นตื่นรู้ตัวตื่นตัวรู้ตัวอยู่มีสติปัญญารู้อยู่ว่า ทุกมีอะไรมีความรู้สึกมัคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจไม่ปรากฏตัวใจเลยมีแต่เห็นว่ามีส yes, ิ Moreover, ่งใดสิ่งหนึ Souls ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็สิ่งนั้นก็ดับไปใจก็ได้แต่รู้แต่ไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏตัวตนของใจเห็นแต่อย่างนี้ว่าทุกคิดทุกอาการเนี่ยเป็นเพียงสองขานปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราใจก็ได้แต่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ใครจะรู้ได้ดีว่าได้ดีกว่าตัวเราเราก็ต้องรู้เองแะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราอย่าเอาตัวเราไปจับอารมณ์เอาตัวเราไปนั่งคิดโน่นคิดนี่อย่าเอาตัวเราไปจับอารมณ์จับความ ร, รู้สึกให้รู้ตัวเราให้รู้ตัวเราตัวเราคื อ, อที่มันคิดนะั่นคือความปรุงแต่งใน ใ, น ใ, นใจแต่มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆหรอกมันมีความคิดมีอาการอยู่ตลอดเวลาใน ใ, นใจ ใจก็ได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวใจต้องให้มันตื่นนะตื่นแล้วก็รู้ตื่นรู้จิตทุกขณะปัจจุบันนี่ตื่นมารู้จิตที่เกิดดับทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่เห็นเกิดเห็นดับแต่เห็นว่าจิตเนี่ยมันที่มันเกิดขึ้นมาแสดงกิริยาการขึ้นมาเกิดในใจแล้วมันมีแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปไม่ปรากฏว่าตัวใจไม่ปรากฏอาการไม่ปรากฏใจอ่ะเป็นตัวเป็นตนไปรองรับ ใจมันก็ได้แต่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจรู้จิตที่ปลงแปลงรู้กิริยาการของจิตที่ปลงแปลงแต่ใจไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนของใจนี่ะมันเคลิ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคอยเคลิมเลยนี่มันมันปััดจิบาทจเคยรลยเนี้ยนั่งแล้วเคลิมหืม อ๋อออนี่ทาน้ําร้อนน้ําชาดีกว่าจะได้หายเครื่องอะนั่งนีิน่งๆแล้วก็เครื่องอ๋นี่ทานน้าร้อนน้าําชาเนี่ยเอาจะได้หายเครื่องอ๋ออ๋นี่นั่งแช่น้ําร้อนน้ําชาดีกว่าจะได้หายเครื่องนั่งเริ่มนั่งหลับตาแล้วเครื่องแหละเราไม่เห็นอ่ะมันเอาตัวเราไปจับ อารมณ์จับความรู้สึกบางเบาความรู้สึกสบายเงี้ยมันก็เลยเคลิ้มดิ่งไปในอารมณ์มันไปจับไปยึดมันมันสร้างความรู้สึกมีเราเป็นตัวเป็นตนไปยึดอาการของใจไปจับอารมณ์ไปจับความรู้สึกมันเคลิ้มไปมันไม่เห็นตัวเราแต่มันเอาตัวเราเนี่ไปจับความคิดเอาอารมณ์ความรู้สึกมันเอาตัวเราไปคิดเอาตัวเราไปนึกไปตึกไปต่อ แต่อย่างเนี้ยต้องคิดพิจารณาร่างกายสังขารไม่เที่ยงเนป่ปื่อยผูฟังสลายให้มากมากใจนี้มันจะแก้กนะ Soci, ไม่ตกนะใจนี้มันจะไปจับแต่ความนิ่งความเบาความสบายเอาปัญญามาคิดพิจ า, า, ารณามากๆเห็นสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารเราต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต, ต้องตายต้องเน่าเปื่อยต้องผูฟังสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าต้องคิดพิจารณามากๆอย่างเนี้ย งั้ยมันจะหลุดออกจากการที่ไปจับนิ่งจับเฉยจับอารมณ์จับว่างจับโลงจับโลง่งจับเบาจับสบายมันจะออกไม่ได้มันจะหลุดไม่ได้เอามาคิดพิจนารณามากเดี๋ยมาคุยกันดีกว่าเอามาคุยกันกว่านเนี่ยเออกเข้าไปคุยเข้ามาเนีเ่ยเออเพ้อแป๊บเดียวเข้าไปในี่ยลมความรู้สึกกันละเข้าไปง่วงแล้วเดี๋ยวไปหั่นน้ำปลาสบายคุยกันดีกว่ามีลูกกี่คนน่ะสองคน ผู้หญิงทั้งคู่เลยเหรอคนโตเป็นอะไร <c oughs> อ๋อทำอะไรลออแดง <c oughs> อ๋อเป็นสัตว์ยาดิฉันไหนโ <c oughs> อแล้วไม่ได้อยู่กับเราเหรอไม่มีครอบครัวแล้ว <c oughs> อ๋อเราก็ไม่ได้ไปอยู่เขา <c oughs> แล้วปกติก็อยู่ลูกสาวคนลรกที่เป็นผู้อสาเนะี่ย <c oughs> อ๋อ ไม่ได้อยู่กับเรานะเราเลยอยู่คนเดียวแล้วเขากลับมาสาวทิศเหรอตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่ไหนลูกสาวชื่ออะไรนะบุญยการะบุญการอย่างเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนอะฮะแต่เาก็ทนปวิอออ่เดี๋ยวเดือายนก็จะย้ายออแล้วะอ๋อส่น ตอนนี้อยู่นครพนมอยู่เนาะปิด <50. S 1> ปลายเดือนนี้ย้ายมามาอยู่สังหวัดนครเดือนนี้แล้วก็ย้ายไปบุญยอดแล้วกลับมาหกาบลเดือนห่นแล้วก็เดอน น, ด น, นั้นต่างประเทศมาอที่เดือนรเปล่าเราอยู่นี่พอดีออเดือะาอยู่คนเดียวเร อ, อยู่ใครอะไม่มีใครดูแลอยู่ได้สบาย เนาะอยู am, no? mm. ่กัะทำเนาะอยู่กับกุ๊ปปองธรรมะไปก็เปิดทังวันทธรรมะไปอย่างนี้ให้ทำงานไปก็มาเข้ากลุ่มปฏิบัติธรรมเขาดูจะได้ไม่เหงาก็นะดูของที่อาจาร์เหอาว่าจะไปเข้ากลุ่มเขามีมีมลายกลุ่มไหมลายกลุ่มเรามีมีเข้ากลุ่มไห มีมีมีมือถือมาไหมเรามีมือไหมมีแต่ไได้ไลน์อะแคมีในเ็ลงมูที่เขาส่งมาให้ว่อาจารย์จะไปไหนมากแล้วก็ฟังยูทูกันได้ได้ได้เนี้ยเนี่ยส่นมากก็ี่คนั่งมาหายใจก็จะฟางแค่ทำงานก็ทำงานบ้างมานอนทำเลอะไรเนี่ยก็จะพักผ่อนมันก็เลยมีอยู่สองกรณีของเราเนี่ย คือปกติกับฟังคำมากเป็นเพื่อนเราก็ทำงานบ้านไปอะไรไปแต่เราไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยมันมีความคิดความนึกความสึกความตองปรงแต่งอะไรในในปัจจุบันหรือว่ามีมีความคิดมีากาอะไรเกิดขึ้นมาในใจแต่ตัวใจไม่มีไม่มีตัวตนใจไม่มีตัวใจแต่ใจมันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจทุกขณะปัจจุบันรู้มิรู้ความคิดรู้นึกสึ ก, กรู้ตอง ในใจเนี in 1988, late, price, ่ยม <W> ันมีความคิดนั่นคือคงแต่งเนี่ยเกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลาเลยทุกขณะปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปใจมันก็ได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแต่ตัวใจของมันไม่มีไม่มีตัวใจตัวใจตัวตนของใจไม่มีเราลองเราลองหาดูมน้ยใจมันรู้หมดแล้วว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในตัวเราหรือเกิดขึ้นในใจแต่ตัวใจมันกลับไม่มีปัญหาไม่เจอมมีใครตอบได้หรือว่าตัวใจมันเป็นยังไง ตัวใจไม่ใช่หัวใจที่เป็นเลือดเนื้อนะหัวใจที่เป็นเลือดเนื้อมันไม่รู้อะไรไม่ได้ <S <S ใจนี่หมายถึงรู้ <S <S มันรู้ว่ามีอะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราหรือเกิดขึ้นอะไรในใจเรานี่แหละคนอื่นไม่รู้หรอกนอกจากครูบาอาจารย์ที่มีจิตแม่แม่ท่านก็รู้แต่ก็ไม่สามารถจะไปตามรู้เลยได้ทั้งวันหรอกทันทีเกียรติจะไปรู้แต่ตัวเราเนี่ยมันจะรู้ตัวเราเองตลอดเวลาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์นี่มีกิริยาการใดเกิดขึ้นในใจเราเนี่ย มันจะมีตลอดเวลาเลยเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราทุกคิดทุกอาการไม่ว่าเราจะทําอะไรมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนข่ อ, ของน้าข่องทุวมเดิมกินทํางานบ้านมันจะในใจของเรายมันจะมีกิริยาอาการมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปใจมันไม่ได้แต่รู้แต่เอาเข้อจริงหาใจข้อจริงมันหาไม่เจอแม้ถ้าลองหาดูที่ว่าใจดีไหนตัวตนเป็นอย่างไง แต่มันรู้หมดเรามีอะไรเกิดขึ้นในตัวเราหรือเกิดขึ้นในใจใจมันรู้หมดเลยแต่คั้นถามว่าใจเป็นยังไงตัวตนมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงตัวตนมันเป็นยังไงกิริยาการมันเป็นยังไงบอกได้ไหมบอกได้ไหมสามารถบอกได้ไหมไม่ได้เพราะพอไบอกไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มีตัวตนหามันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มี แต่มันรู้หมดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจหรือเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีความสบายใจไม่สบายใจมีความสุขความทุกข์ความเครียดความกุ้มใจความไม่สบายใจมีความสุขใจความสบายใจมีความคิดนึกสุดตรองปงแต่งอะไรมันรู้หมดเลยทุกขณะปัจจุบันเลยรู้หมดและแน่ทุกกิยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็ดับไปนี้แล้วก็ให้ไปเสียก็ดับไปนี้แล้วไงฝ่ายใจมันรู้ได้หมดเลยตลอดเวลา แต่ตัวใจไม่มีกิริยาอาการของใจไม่มีใจมันได้แต่รู้ว่ามีกิริยาอะไรกิริยาอาการใดเกิดขึ้นในใจแต่ตัวใจไม่มีไม่มีตัวใจเลยหาตัวใจไม่เจอก็ <lü> ได้แต่รู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีใครไปยึดมันได้แต่รู้แต่ไม่มีใครไปยึดทุกกิริยาอาการที่เกิดขึ้นในใจไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปแทรกแซงแล้วก็ไม่มีการที่จะเอาตัวเราหรือเอาใจาไ น, ailing, น, amis, in, นไปคิดโน่นหลงเอาใจไปคิดนี่เอาตัวเราหรือหลงเอาใจไปคิดโน่นคิดนี่โดยที่ไม่รู้ มีหน้านที่แต่รู้กับตะวันรู้ทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมีแต่หน้านที่สับตะวรัรู้สักแตะรู้สับตะวัเห็นสับตะวัรู้แจ้งว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจมันไม่ได้เอาใจหรือว่าตัวเราไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นหรอกมันได้แต่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจนอกจากว่าเรามีความจําเป็นต้องคิดอะไรเพราะนั้นเแี่ยเราจึงตั้งใจคิดพอคิดจบแล้วก็เหลือแต่รู้รู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจแต่ไม่เคยปรากฏตัวใจนะมีแต่ จิตที่มันคิดนึกถึกฟองปงแต่งมีอารมณ์ตกใจบ้างไหมตกใจบ้างมีสบายใจไหม่สบายใจจิตใจมันมีอาการให้หายมีการว่าววววมีอาการใจให้หายใจแป๊บๆอะไรก็มาแบบมันจะเกิดขึ้นแล้วมัเนี้ยสลับไปสลับมาตัวแกก็ดับไปมีแล้วหายไปมันเกิดขึ้นในใจแต่มันไม่ใช่ตัวใจตัวใจมันไม่มีแต่มันรู้ว่ามีแต่กิริยาการของจิตเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในใจหรือเกิดขึ้นมาในตัวเราแต่ตัวใจมันไม่มีตัวตนไม่มีมันได้แต่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจ เกิดขึ้นในตัวเรามันได้มันเป็นได้แค่ได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่ตัวตนมันไม่มีมันจึงไม่มีใครไปไปเกาะไปเกี่ยวไปแทรกแซงไปวุ่นวายกับกิริยาการของใจเพราะว่าใจมันไม่มีตัวตวนมันก็ได้แต่รู้มันก็เป็นอยู่แย่นี่ยก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้ทั้งวันหรือว่าสักแต่วรู้หรือรู้ซื่อๆทั้งวัน นอกพระจอมมีความจำเป็นจะคิดอะไรเพาะตั้งใจจะคิดไปเ่อคิดจบล้วก็เป็นก็ ก, กมาเหลือแต่รู้ตับแต่วรู้หรือได้แต่รู้ได้แต่รู้ทุกทุกทุกทุกอาการที่เกิดขึ้นในใจแต่ตัวใจไม่มีตัวใจไม่มีก็คือไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเรามันจะไม่รู้ตักว่ามีเรามีตัวตนของเราเหรอกเพราะไอ้ความรู้ตึกว่ามีเรามีตัวตนของเรามันคือทิ่ที่ปูมแตง พฤติม ก, กมันคิดนั่นคอความกลมแกล้มอยาลมีความรู้สึกมันกลมแก่้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราใจมันได้แต่รู้มันปรุงไม่เสร็จดังนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็คงจะมีกิริยาการที่เกิดขึ้นใจมันก็ได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวใจก็ได้แต่ทำเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันไม่นีไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราไปพุ่งวายแบบกิริยาการที่เกิดขึ้นในใจ ให้มันเป็นเนี่ยให้มันตื่นตื่นตื่นตื่นมารู้เนี่ยรู้อย่างนี้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจหรือพอไงครูบาอาจารย์แล้วว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวใจจิตเขาก็มีหน้าจีตปรแต่งของเข้าไปใจก็ได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนของใจ เมื่อมีมีตัวใจมีตัวตนจิตใจมันก็เลยเหมือนเปรียบเหมือนเป็นความาว่างเปล่าตัวเราก็เลยไม่มีมีแต่ความว่างแล้วก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจแล้วก็ดับไปหรือเกิดขึ้นมาในตัวเราแล้วก็ดับไปหาใไปดับไปหายไปเห็นอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนอกจากจะมีความตั้งใจจะคิดอะไรก็คิดจบแล้วก็วางไปเหลือแต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้เข้าใจไม่อย่างเงี้ยอืม เราจะไปนั่งทำอย่างเคยตัวอย่างเคยตัวอย่างนั้นน่ะนั่งหลับตานิมแล้วก็เบาสบายแล้วก็เคลิก็ไปในอารมณ์ในความรู้สึกแล้วก็โ ง, ง่ลืมตามามเห็นตาสโลสเลสลงสเล่ลมลมไม่มีประโยชน์อะไรแร้นั่งแบบนี้ตั้งชีวิตก็ไม่ได้อะไรอมาจากนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่าน แม้แต่ทำงานบ้านไปอยู่คนเดียวอยู oh to to Mother, no water, ่บ้านคนเดียวเปิดวิดีโเปิดเทสธรรมะฟังทํางานบ้านไปเปิดเทสธรรมะฟังไปแต่ใจมันก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยทั้งวันน่ยคิดโน่นคิดนี่คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงอันนี้คิดถึงลูกคนนั้นคิดถึงลูกคนนี้เราแบบน้อยเนื้อต่ำใจฟุ้งซ่านอะไรไปเรื่อยในอดีตอันนั้นอุ่นวายไปเรื่อยกังวลใจไปเรื่อยเราก็ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้รู้ไงไม่ได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจแต่เราเนี่ย เอาตัวเราเนี่ยไปคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยเราไม่ได้รู้ตัวเรากาลังคิดอะไรอยู่ในใจเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ใจก็ได้แต่รู้ให้เรามันเป็นรู้ไม่ใช่ว่าเป็นคิดเป็นรู้แต่ท่านเนี่ยมันทํางานบ้านไปฟังเทศบาลไปแต่จะเอาตัวเราไปคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดนั่นคิดนี่ให้มารู้ว่าตัวเราคิดอะไรไม่ใช่ตัวเราไปคิดเข้าใจไหมเนี่ยมันแตกต่างกันฟ้ากับบินนะ เราตัวเราไปคิดตั้งวันกับเรารู like. like. like well ้ว่าตัวเรากำลังคิดอะไรหรือรู้ว่าในใจเรามีความคิดอะไรเกิดขึ้นคือไอตัวรู้ว่าตัวเราคิดอะไรก็คือรู้ว่าในรู้ว่าเนี่ยในใจเรามีอะไรมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในในใจเราหรือในกายของเราเนี่ยมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในทุกขณะปัจจุบันให้รู้รู้รู้รู้รู้รอย่างนี้เนี่ยหลักสตวรู้ไม่ได้ทําอะไรหลักกตวรู้ักสตวรู้สตวรู้เห็นแต่ท่านเอาตัวเราเนี่ยไปคิดตัวนคิดนี่คิดนั่นคิดนี้ ต้องเลิกที่จะาตัวเราไปคิดให้ให้รู้ตัวเราก็คิดอะไรตัวเราคิดอะไรรู้ตัวเราคิดมันคิดนี่ทั้งวันเยให้รู้ทําหน้าที่รู้แก่รับรู้แก่รับรู้แกะหับรู้จะพอใจไหมเนี่ยเราพูดเนี่ยพ อ, อใจจริงหรือเปล่า<จ>ไหนอธิบายเราฟังหน่อยจุด <c oughs> อธิบายเราฟังนะ่ะถ้าเราคิดกุ้งข้าใช่ไหมเราคิดอะไรอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลิดกลับมาไม่สุงข้า เช็คพิจารณาตรงนั้นว่าที่เราคิดไปนะตัวที่เราเราคิดไปด้ความคิดของเราน ะ, ะที่เราคิดแค่ไห น, นว่ามันไม่ถูกต้องอะแล้วเป็นไงเช็คพิจารณาตรงนั้นว่าเออ ค, ความคิดมันก็ก็เป็นธรรมดาแค่นั้นให้เรารู้ไว้ว่าที่เราคิดไปแล้ก็ก็ทำนั้นเองจะเล่งไงต่อละ จะยังไงต่ออีกเจะไม่คิดอนันต์อรก็จะไม่คิดรงสร้างล้วก็มาอยู่เฉยๆอะไม่ถคิด่นไปอ๋อเมื่อกี้เราทสิ่งของเราเกิดขึ้นเป็นแบไว้แค่ไหนพยายามจะไม่คิดโคงสร้างมันจะได้หรืออย่างน่ะแล้วเดี๋ยวก็มันก็หลงไปคิดโคงสร้างอีกไม่ช่างไรก็ตามในโกเราเราไม่ต้องระงับสนใจที่ได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะ เกิดขนแล้วก็มัอาไปก็แ่นั้นใช่มอาจารยไม่ใช่เดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ๊เอ๋ว เ, เดี๋ยวเดี๋ยเยราอธิบายตั้งนานทำไมมันมันได้ครึ่งเดียวเนี่ยดเดี๋ยวมันได้ครึ่งเดียววันนี้ไม่ไม่ชัดเจนกลับบ้านไม่ได้นะี่ให้นั่งอยู่ตั้งวันตั้งคืนน่ เอ้มันทำไมมันได้ครึ่งเดียวอธิบายตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวท่านออดมาช่วยเราสิท่านออดนีท่านมาช่วยเราสิตรงเนี้เพราะว่าท่านเองก็เป็นอย่างเงี้ยพอเราอธิบายเสร็จแล้วมันมันเหลือครึ่งเดียวท่านก็อีมาก็อีมาเอาก็อีมาตัวนี่ก็อีอะไรก็ได้มาเนี่ยนี่ยเน น, นี่ให้นั่งสูงกระยอมไะท่านมาช่วยที่บ่ายนี่ทาไมายอมเขาฟังเราอธิบายตั้งนานแล้วยมอมเขาได้แค่ครึ่งเดียวแ่หลงไปแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็ออกพิจารณาว่าบางกีนิ้ที่มาหลงคิดไปไม่ดีแล้วก็กลับมามาหลงอีกมาเก็บ แต่แค่นี้เราสอนอยู่ตั้งเยอะมันได้ครึ่งเดียวเลขครึ่งนึงครึ่งหลังมันหายไปไหนไหนเอาไม้ท่านเอาไม้มาพูดที่ท่านออดแต่โยมเขามันเข้าใจไงอธิบายให้โยมเข้าใจที่พราว่าเราอธิบายตั้งนานโยมเขาไม่เข้าใจเอาเราเนี่ยโยมเขาไม่รู้แล้วโยมเขาพูดต่อไม่ได้เราพูดสิว่ายังไงโยมเขาพูดอะไรไม่ครบไหนเราอธิบายสิเราจะจะดูที่ว่าท่านออดเข้าใจด้วยไหมว่าอธิบายให้โยมเขาเข้าใจไหม่นี้ ก็เออปวจอะ<น>คือคิดุ้า ไ, ไปแล้วแล้วก็ดึงกลับมาเขยอเขาบอกว่ามันมันจิตฮะแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตาามต า, มต า, มตามที่พพี่เขาเองก็คือคุอ่ะก็ดึงกลับมามันก็ไม่จิตมันจิตที่คุ้มซ่าแล้วไม่จิตที่ดึงกลับมามันจิต ก็คือคลุ ja <S <S <S <S ้ง้ามมันก็เป็นอาการของขงจิตคลุ้งข้ามเขาจะดึงดึงแบบมาเนี่ยขณะที่จิตมาคลร้งข้ามเขาึงแบบมามันก็เป็นอาการของจิตเือนกันคือแล้วตรงนั้นคือไมมีจิตแล้วไม่มีผู้ไม่เอาที่แทรใจะถ้าต้อง แล้วท่านจะต้องปฏิบัติยังไงแต่เป็นตัวท่านจะปฏิบัติยังไงก็ให้เปลี่ยนรู้ขึ้นมาทำไมแก้ไหมพูกกันไหมก็ให้เปลี่ยนรู้ขึ้นมาเปล่ยนรู้ขึ้นมาอยู่ในสภาพที่มันปกติปกติที่มันสภาพจิตของเราที่มันพร้อมจะรับรู้ทั้งตาทงหูทจมูกทั้งลิ้นทั้งหูตาก็ต่าง ไอความคิดที่ที่บอกว่ามันมันคิดออกไปแนละ้วอันนั้นก็คืออันห น, นึ่งเหมือนกันที่เป็นเป็นสภาวะที่ผมคิดไปแล้วคุ้มขาดไปแล้วอันนั้นก็เป็นเป็นอารมณ์อันหนึ่งเหมือนกันที่ที่ที่มันก็คือเป็นเป็นเป็นสังขารฟังให้ดีน ะ, ะเดี๋ยวจะให้ช่วยอธิบาย อ, อย่าฟังกาะชากยุ่นยุ่น เป็นสังขารทั้งหมดคือท้งหมดก็คือว่าคิดเป็นนี่ก็เป็นสังขารดองกลับมาก็เป็นเป็นสังขารเหมือนกันคือหมายว่าถ้าดึงกลับมาแล้วมันรู้สึกผ่องโล่งสบายคือเรารู้สึกความท่าไมันไม่แน่นเพิ่น่ยเราคิดว่ามันถุกอันนั้นก็เป็นสังขารอันนั้นก็ทางที่ว่ามันมัไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ คนหนึ่งกลับมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยตอนนี้คนนี้ไม่ถรกอะไรแล้วอ่าปุ๊บอันนี้ก็ยังไม่ใช่ยี่นิ่งๆนึกว่าอะไรเป็นเป็นปน้ข่าในน้ำแข็ ง, นง็นอารมณ์อารมอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ถูกไม่ถูกอีกเหมือนกันเดี๋ยวหาคนอธิบายถูกกันสิเล่มาฟังวะทะไรเล่จะได้เข้าใจด้มะมาฟังทำมาปฏิบัติทำมามาๆม า, มาไม่ถูกอีกไม่ถูกไม่ถูก ไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้ก็อย่างเงี้ยไม่ว่าพาประโยชกลับบ้านไม่ได้กลับไปวัดก็ไม่ได้กลับบ้านไปได้เอ้าเอาไว้มันถูกฟังกับเปล่าเลขฟังกัะเปล่ายังไม่ฟังใจนี้เราไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยเลขไม่ได้ฟังด้วยก่อนต้องฟังมาก่อนแล้วค่อยอธิบายเลขไม่ฟังเมื่อกี้เข้ามาไม่ทันได้ฟังไม่ได้ฟังใช่ไหมไม่ได้ฟัง ไม่นเนี่ยในโทษโทษขอการไม่ฟังเ่็นไหมพอเข้ามาแล้วไม่ฟังเลยไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องไหมนี่จับประเด็นได้เร็วเอาให้อา่านนีอธิบายมานี่นี่นตรงนี้น่นตรงนี้อธิบายให้เห็นเขาเห็นหน้าเลยที่ถูกมันต้องปฏิบัติอย่างไรที่ก็ฟังเลยมันไม่มันแต่ทั้งสองท่านอธิบายมาเมื่อกี้เนี่ยตังวาตังโยมเนี่ยก็คือว่าพอจิตมันหลงออกไปก็ดึงกลับมาการที่ดึงกลับมาก็สังขาร ออกไปก็สังขารแล้วพอถึงขณะหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรนั่นก็ยังไม่ใช่นั่นก็ยังสังขารเพราะว่าความเป็นจริงเราไม่มีอะไรนั่นก็ถือว่าเขายังเป็นสังขารอยู่อธิบายละเอียดชัดๆยังตั้แต่แรกใช่ไว่าไงเขาเขาออธิบายเมื่อกี้เขโยงอธิบายฟังอยู่ใช่ไหม แต่ไม่รูว่าฟังท่าหรือเปล่าก็คือฟังทางแท่ตอนที่ว่ า, าเขากิดว่าถ้ามันหลงออกไปก็เดินดึนกลับมารูตัวก็เดินกลับมาอันนี้ถูกใช่ไหมตามที่ีโยวกพูดอะลงตัวมันหลงคิดปรงแต่งผง้สร้างไปใช่ไหมรู้ตัวแล้วก็เดินกลับมาแล้วเป็นยังไงต่อเดินกลับมาจนถึงสภาวะ ท, ที่รู้สึกว่างไม่มีอะไรนั่นก็ยังไม่ใช่นั่นก็คือสังผาสอยู่เพราะความว่างก็ไม่ใช่เราคือเราต้องตื่นรู้ ตัวเราไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันยังสังขารอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นปฏิตกยายจิตจากไหนการเห็นการเดินติดกลับมาการอยู่กับความว่างการอะไรก็ตามที่มันยังยังมีกา ร, กรเคลื่ อ, อหไหยตัวทุกอย่างมันก็ยังตัเป็นสังขารทุกอย่างไม่ไม่รู้สึกแบบ เดี๋ยวมันย er ังไม่มีใครอธิบายถึงใจวะเดี๋ยวไม่มีใครอธิบายถึงใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยอะแซ่อชื่ออธิบายถึงใจแต่ได้ไหมมันยังไม่มีใครอธิบายให้ถึงใจเลยเอากพี่มานั่งเนี่ยเซ่อพี่มานั่งกัไหนล่ามาครับมาเชื่อกันดูนี่เราจะดูที่ว่าใครอธิบายถึงใจม้างฟังเราพูดมานานแล้วที่พูดใหยเราฟังบ้าง ในเล่เล่ปฏิบัติยังไงในเล่ปฏิบายิให้เราฟังทีเราปฏิบัติยังไงอ่ะตัวว่าอย่างไงนะอ๋อปฏิบัติอธิบัติทีปฏิบัติยังไงตัวตัวตื่นตื่นแล้วเป็นยังไงมันไม่ตื่นแล้วพยายามดึงให้มันตื่นพยายามทาให้มันตื่นแล้วเป็นยังไงต่อ มันก็จะมึนๆตืๆ่อ ๆ, ๆ, ๆแล้วก็พุทโธทีๆพอพุทโทีๆปุ๊มัก็จะริ่ตื่นพุทโธไปด้วยภาวนาไปด้อยแล้วก็ตื่นตื่นแล้วเป็นยังไงต่อดีใจก็สบายแล้วก็โลโลสบายแต่มันมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เ ล, ล้นนี่ แล้วไงต่อเราจะรู้ปุ๊บเราก็รู้โดยรู้รู้โยก่อนรู้โก่อนูโดยก่อนอยู่ับปัจจุบันตู้โดยก่อนอยู่ปัจจุบันพอเราทำอะไรปุ๊บเรากำลังคุยกันอยู่เราก็อยู่กับคนที่คุยคนนั้นคนนี้คนนั้นคิดนคิดไปที่อื่เราก็ไม่สนใจความคิดคาคิดออกไปคุดกับใครปุ๊เราไม่สนใจเราคุยกับคนนึงเราก็เดียวตกน่าอยู่คนคนเดียว พอเาคิดออกไปปุ๊เรารู้รู้รู้รู้ขึ้นไงขึ้นไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนใครอธิบายชัดเจนหน่อยพี้เอาเสื้อแดงปฏิบัติยังไงไหนใะนะอนธิบายเราฟังหน่อยสิไม่ชัดเจนตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ดูกายกับดูจิตสําหรับการ ด, ดูกายก็คือส่วนใหญ่ก็จะมารู้ดูที่ลมหายใจ วนดูจิตก็ดูสภาวะเวลาที่มันมีอาการที่เกิดอย่างบางครั้งก็เวลาปรดจะรู้ทันที่สุดว่าตอนนี้ก็เริ่โปวดอะไรเงี้ยก็พยายามรู้มันแบบแต่ว่ารู้แต่ไม่ไปแกล้แสงว่าเอ้ยอย่าปวดไม่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้คือเมื่อก่อนจะเป็นแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแกล้แสงมาแล้วก็รู้ไปอย่างนั้นเองอะไรก็อยู่แค่นี้ค่ะรู้รวมกับรู้ผันสัทมันเกิดแค่นี้อ่าแล้วเนี่ยอะอคืออะไรนนัเนี่ยอะ ไม่ปฏิบัติอะไรใช่ไหมหมายอธิบายเราฟังกันทียังไม่มีใครใครอธิบายโดนใจเลยครับหลวงตาครับยังไม่ได้ปฏิบัติครับแต่ว่าก็แค่ใช้ในการทำงานนะครเรามีติดเวลาทางานเราไม่ไม่มีสมบัติร้ายไม่มีแบบเอ่อรู้รู้ตัวเอ็นนี้ครับหลวงครับแต่เราไม่ได้ถึงจะนั่งพลังงานครวงาครับเป็นแค่ะต้นเท่ั้ใครอธิบายเพิ่มเติมอยู่ไมอ้ามมาไหม อุ้มอเอ้ออืมอ่าพูดใหม่ดิเอ้าว่าไงอ่าพูดใหมเ่เอ้าอธิบายให้อธิบายรอบนึงเอ้าให้มันชัดชัดละเอียดที่เราที่เราปฏิบัติอย่างไงทำไมฟังเราตามฟังเรามากันหลายเดือนแล้วเนี่ทําไมมันแม่มั น, ม, นมันการปฏิบัติไม่โดนใจเราเลยเอา้าคือก็ปฏิบัติเริ่มแต่ พูทโทมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ได้พุดโทแล้วก็ตัวทําอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นจนตัวอะไยามเดี๋ยวต้อตอกอธิบายอีกทีนะฟังว่าเขาพูดถูกไหมถูกท่านเน่ยไม่ค่อยจะฝากค่อยตัดตอนไปจนหนักว่าพอพอปฏิบัติแล้วก็อยู่ตัวอยู่ไหนทำอะไรอยู่ก็อยู่ตรงนั้นถ้าพักเดี๋ยวมันก็จะวิ่งหางทางว่าต้องภาวนาไม้มต้องพูดโทรไหมต้องอะไรไหมนั่นก็ก็หลงตัวก็กลับไปอยู่กับ ทอาปกติทําอะไรก็อยู่อย่างนั้นไปมันก็จะดิ่งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็คึกบ้าเดี๋ยวก็มารู้สึกว่าไม่สืกนบ้อะไรบ้างคือทั้งหมดก็คืออุ้มก็เลยปรับรวมไปว่ามันมันคือจากขางดปล่อยวางไปซึ่งปัญหาของอุ้มก็คือว่าการปล่อยวางคืออะไรอุ้ก็เลยปล่อยวางแค่ว่า ตัวทําอะไรใจอยู่นั้นอะไรเกิดขึ้นก็ก็ยังทำอะไรต่อไปก็ทำต่อไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่านั้นเป็นการปล่อยวางหรือเปล่าแล้วการตื่นรู้ด้วยก๋วยเตี๋ยวเข้าไปหลงอยู่ข้างในมันไม่ตื่นรู้การดิ้นให้มันตื่นรู้หรือการพยายามจะให้มันตื่นรู้อันนี้ก็ยังเป็นคําถามของรถอยู่ว่านั่นจะยังเป็นสำคัญอยู่ไหมหรือยังไงคะหล ฟังเขพูดรู้เรื่องเลเนะี่ยก็ใจไหมเอาไหนพูดซิเอะอายยองเาพูดต่อซิอาอายละเอียดยเิ้นแล้วกดับไปค่นั้นสุดนะคะอายละเอียดอายละเอียดพูดละเอียดพูดอะไละเอียดซิว่าไงไหนพูดละเียดละเอียดซิเราเราต้องมีสติเราไม่ไม่ไมีคิดทุกข์ฆาตอยากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพยยมคือคิดอะไรคุกข์ฆาตพยายามจะเร็ที่สุดนะคะอยู่กัน พล้สร้างรู้สึกตัวมาดับไปเลยที่สุดพล้ส้างรู้สกตัวมาแล้วดับไปลแล้วแล้ว้สุดแชนั้นใช่ไหมมันทำแชน น, นี้งงไปยังไงนี่นแต่เรา